ประกับพระพระตันตนไยอูอเป็นทงัขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอเจริญข อ, อนมามตะการคุณครูบาอาจารย์พระเทลา น, นเทะ ท, ทุกทุกท่านของพี่ของพ่อุณเจริญพรญาติโยมแม่ชีและอุบาตกอุบาตุ ก, กา ท, กทุกท่าน วันนี้ก็เป็นวันเป็นวันทค่15เดือน10เดือน10เนอะเป็นวันที่ขญาจาดขอบคุณ <c oughs> ตามประเพณีของบ้านพวกเราวันนี้จะเป็นวันที่ปล่อย นรกออกจากนั่นมารับเข้าสังฆทานกลับจากลูกจากเต้าจากหลานมาแล้วก็เราก็ตั้งใจให้ดีวันนี้พ่อแม่ของเราก็ญาติปู่ญาตาิยายที่เกิดมาเนี่ยตายไปแล้วก็เป็นเปเป็น ที่ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยก็หวังอยากจะมาอัดพึ่งพราอาศัยของเราเพราะไม่มีไล่มีนามีแต่อาศัยกินแต่กับลูกกับดานแล้วก็ถ้าเราคิดเห็นคุณพ่อคุณแม่คุณครูวายจันมีความกระตัญยูกตเวทีกับท่านแล้วก็ให้ตั้งออกตั้งใจทำทานมาให้ท่านในในวันนี้เป็นวันที่สำคัญมาก ถ้าคนไหนมาทมําบุญในทานนี่ก็จะปล่อยสันนิโรกแล้วออกมาแล้วก็จะได้รับสังฆทานกับลูกกับหลานไปแล้วก็จะเป็นบุญก็จะได้สินให้พรให้พวกเรา้าได้มีความสุขความเจริญต่อไปถ้าคนไหนที่ไม่มาเห็นแต่คนอื่นเขารับไปหมดจะส่วนตัวเองเนาะไม่ได้ไปก็ได้ร้องให้กับคพื่แนใบ้าน ก็เรียดให้ลูกใครตั้นให้หลานเนี่ยไม่ให้ทําอยู่ไม่ให้อหพออยู่พอจรินให้มันอดมันอยากมันว่าสารพัดอะไรับท่านจะว่าไปพ่อแม่ของเราอย่างคุณลูกใหญ่มาแล้วก็มีผุดผุนเพราะฉะนั้นพกเราเกิดมาเนี่ยต้องทําให้มันสมที่เป็นพอ่อเป็นแม่ของเราเหมือนเรารักลูกนี่แหละใครลักอะไรก็ม่เหมือนลักลูกตัวเองห่วงแล้วห่วงอีกอยู่นั้นแหละ ทำอะไรก็ไม่พ้นพ่อแม่ของเราเนี่ยตายไปก็บกเวียนวันเวียนว่าแต่เกิดแล้วได้นาตาโทอะไรก็ไม่มีไม่มีที่จะอยู่จะกินเนะี่ยคิดเห็นคนพวกที่มีชีวิตทีวาอยู่นี้แหละลูกหลานที่ได้อยู่ด่วยกันมาเนี่ยอาจใส่กินกับพวกเราถ้าเราไม่มากินมาทานกับพ่อกับแม่ของเราก็เป็นคนอื่นคนหยาบมันจะเป็นอยู่งั้นฉะนั้นแล้วก็ มานี่ก็ดีแล้วเราอุทิศอแผ่เมตตาไปให้ท่านเรามาอยู่ที่นี่เป็นของที่สูงสุดที่สุดในชีวิตของเราอชีวิตจิตใจของเรานี้ถ้าจิตใจดีมันก็ดีถ้าจิตใจไม่ดีก็มันก็ไม่ดีเรามาฝึกมาหัดแล้วก็แผ่เมตตาให้ไปให้ท่านท่านมารับออกกองบุญกองทานกลับจากเราไป เพราะฉะนั้นให้เราพยายามทำมวันนี้ก็เป็นวันที่สำคัญที่สุดของพวกเราตามประเพณีก็ให้ทำตัวให้มันดีพวกเราทุกท่านทั้งพูพวกพระพวกเราเดียวก็เหมือนกันพระของเรานี่สสำคัญมากลูกมาศึกษา มาประพฤติปฏิบัติเนี่ยพ่อแม่นะ่ะจะได้พึ่งพาอาศัยเราตรวจน้ําอ่แาแผ่เมตตาไปให้ทุกวันทุกวันท่านก็จะมีความสุขคือนี่แหละไม่มีที่พึ่งเที่ยวใจก็ให้พยายามอย่าไปขี้เกียจจิขกานที่เราต้องท่ามานันนี่มามาเนี้ยให้มันสมที่เรามาทําหน้าที่ของเราเป็นพระเป็นของที่สูงสุดในที่เป็นมนุษย์เนี่ย แล้วก็อยู่ในพุทธศาสนาให้พยายามให้เราให้มันทํามันถูกต้องตามหน้าที่ของพวกเราอย่าเห็นแก่ความขี้เกียจที่ข้านพวนมากง่ายเราเกิดมาเนี่ยเราเกิดมานี่ทํำคุณงามความดีเนี่ยมันจะได้เป็นสมบัติของเราอีกต่อไปใครทําดีก็ได้ดีใครทําชั่วก็ได้ชัว่วพราะเกิดมาในชาตินี่ไม่มีใครจะมาทําให้เราได้ต่างคนต่างทําของใครของมันเทื่ยวกันไม่ได้ อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมือนคือเราทําบุญอันอื่นไม่ทําบุญในทานรักษาถิ่นอูนี้มันแผ่ไปให้พวกที่ตายไปที่ท <c oughs> ุกทุกหรือยากนั่นก็ได้แต่ว่าเรามานี่เนี่ยมันได้ส่วอนของตัวของเราตัวใครตัวมันมาทําแบบเนี้ให้เราพยายามมามาทําให้มันได้เพราะเป็นมุนระดก ข, ของเรานั้นให้ดูออก ใครอยากดีใครอยากชั่วให้ดูการกระทำของตัวเอ ง, เองในในชีวิตนี้เป็นตมบัดของเราทั้งหมดเลยดี ก, ก็ชั่วก็เป็นของเราดีก็เป็นของเราชั่วก็เป็นของเราใครทำดีก็ได้ดีใครทำชั่วก็ได้ชั่วนี่แหละให้เราดูเอาอยากดูชาติตั้งแต่ก่อนที่เราเกิดมาเราทำอะไรไว้ให้ดูเอาเราทุกขนาดไหนเราทุกขนาดไหนเรากินอยู่ตรงนี้เราหาจินอยู่ตรงนี้ อยู่ทุกวันเนี่ยบางทีทุกข์เปลี่ยบางทีทุกขบางทีรักบางที่ชังบางที่สารพัดอย่งแต่มันจะทุกข์ไปทุกข์สารพัดเนี่ยบอกไม่ถูกตุดแล้วแต่ใครจะดูออกของตัวเองเป็นตับัติของเราทั้งหมดเลยเนี่ยสิ่งที่เราทําความดีไว้แต่ก่อนกน็คือความสบายอยู่ในนี้ที่เราทําทุกข์ทำความไม่ดีนั่นก็คือความทุกข์อยู่ในชาตินี้ หาหยู่ยินเลยเนี่ยไม่พอปากไม่พอท้องอดอดยากเพราะอะไรเพราะการทาเราเรากิดมาเด็กอย่างเนี้ยมันไม่ตั้งใจทําไม่ไม่เอาเห็นแต่ความขี้เกียจที่ขัน้นควา ม, มาง่ายอันนั้นก็เป็นต้นบัตรของเราเพราะฉะนั้นเรามาเนี่ยให้รู้จักหน้าที่ของเราอดอยากพยายามมันจะตกทุกข์ได้ยากหรือมันลําบากอะไรก็ให้อุปถัมมาดีนี่เป็นสิ่งที่เรามาดูคิดดูใจดูชีวิตของเรามันจะไปที่ไหนที่ไหนเนี่ย เราเห็นมันเรารู้มันทำเราดูตัวเองเป็นถ้าดูไม่เป็นเนี่ยก็ปล่อยไปจำยาถากรรมตุดแล้วแต่มันจะพาไปยังไงเนี่นะคนไม่ดูกิจชีวิตจิตใจของเรามันก็สร้างพบสร้างชาติเขาเรียกว่าสร้างพบร้างชาติคืออยู่ในความคิดนั่นเองถ้าเราไปทางดีมันก็ไปสู่ ส, สวรรณไปสู่นิพพานถ้าไปทางชั่อก็ไปทางนรกมันมีอยู่สองทางเท่านั้นแหละ เพราะฉะนั้นการกระทำของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากให้เราพยายามอย่าไปคิดว่าเอาความหวังไปไว้กับถิ่งนั้นอย่าไปเอาความหวังไปไว้ถิน่นี้ไม่มีใครจะมาทำให้เราเราทำเองเรารู้เอ ง, เ ร, ร เ, องเราเขีเองใครไม่รู้ใครใครไม่มาทำใครไม่ไม่รู้ถ้าใครทำใครรู้เนี่ยรู้ก็ลรู้เฉพาะตนตัวของใครตัวของมัน ความลับความชังความพอใจความไม่พอใจความตกทุกข์ได้ยากแบบไหนต่อแบบไหนนันะนนะมันตลพทั้งเตี้ยคนจะเป็นไปของตัวเองที่ทําไว้ให้ดูเอาเองถ้าเราออกได้ในเราเป็นคนเนี่ยเราก็มันก็ดีถ้าออกไม่ได้หนูก็ถ้าเราทํานักชั้ออไรมันก็ยิ่งบาปไปกลัวพวกที่เขาไม่มัดมาอยู่กับเรา เนี่ยพวกเรานี้หน้าที่ของเราจะแท้ทำแน่ๆนะถ้าไม่ทํามาจะเฉยนี่หมยายลอบญาติโยมเขาอยู่อย่างเนี้ไม่ได้ต้องพยายามทํามันไม่รู้ก็อย่าไปอย่าไปยอดยอดท่อเราต่อตามไปทําไปไงี้แหละหน้าที่ของเราอย่าไปอยากได้อะไร้ขอให้รู้ชีวิตจิตใจของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในปัจจุบันเอถ้าเราทําปัจจุบันดีมันก็ดีเอถ้าปัจจุบันไม่ดีมันก็ไม่ดีนั่นแหละครับ ปัจจุบันเนี่ยขนาที่เราเอามือเนี่ยพิกิงติงดว ง, งไปที่ไหนก็ให้เราเห็นเรารู้เราเข้าใจมันจะชิดออกไปทั้งนอกทั้งในทั้งดีทั้งชั่วสารพัดที่มันจะชิดไปให้เราเห็นเห็นแล้วเราอย่าไปสนใจกับมันสิ่งที่มาเกิดไม่เป็นเลี่ยงธรรมชาติธรรม ด, ดาของเขามันเป็นอยู่นั่นเราจะเบบังคับเขาไม่ได้แต่ว่าเราให้หาทางออกให้ได้คือไม่ต้องเรื่องของคนอื่นเหมือนเราอยู่กับด้วยกันนี่แหละ เรื่องของคนอื่นจะไปบังคับขเขาทําอย่างนั้นก็ไม่ได้ท่ำนี้ก็ไม่ได้เพเรื่องของเขาแต่เรื่องของเขาของเรานะนะั่นแหะให้มาเดาตัวเองเรื่องของเขาเนี่ยมันจะดีที่ช่วเเรื่องของแต่เรื่องของตัวเองให้ดูเรื่องตัวเองมแาแก้ตัวเองมันไม่ยากเท่าไหร่หรอกถ้าเราดูเป็นพ ย, พยายามอยู่ในปัจจุบันขณะขณะมามาเอาอยู่ที่นี่เลยถ้าปัจจุบันดีอนาคตมันก็ดีเองอถ้าพลา์นี่เราทํำดีเกิดชั น, น้าเราก็ได้ ก็ได้ดีไปเรียไดงไปให้พยายามการเวลาเนี่ยไม่คอยใครเราทำงานแข่งเวลาทำอะไรก็มืองกันทำไรทำนาทำธุระเราทุกอย่างเราอย่าไปกัดกะนัดวันประกันพรุ่งวันนั้นจะทำวันนี้จะทำเพราะว่าการเวลานี่นะมันหมดไปแล้วมันเอาคืนมาไม่ได้ให้เราทำ เ้าวันนี้ไปแล้วก็มันแก่ก็ไปทุกวันทุกวันแล้วก็จากเมื่อว่าเราจะตายวันไหนพอเราเดินไปหาหลักประหารทุกวันต่างคนต่างคนต่างเดินไปหาคล้ายๆเป็นตัดถินประหารไว้แล้วทุกคนนั่นแหละจะตายทุกคนอยู่แล้วไม่ตายเท่าก็ตายหนุ่มเมื่อก็ต้องเป็นไปเรื่อยๆของมันเป็นอยู่งั้นเพรา ะ, ะนั้นให้เราพยายามทําอุตส่าห์พยายามทํามันเป็นอย่าไปอยากได้อะไรขอให้ร้อยได้อยู่ในปัจจุบัน อะไรรู้จักเรารู้รู้แล้วก็ให้มันเป็นทางผ่านไปน่รู้แล้วก็ให้เป็นทางผ่านไปเกิดเมื่อไรเป็นทุกข์เมื่อนั้นเกิดเป็นเมื่อไรเป็นทุกข์เมื่อนั้นอะไรเกิดก็เมื่อก็เกิดโดยกายกับใจของเราสองอย่างเท่านั้นแหละกายมันก็เกิดแล้วให้เราเห็นใจเมื่อก็เกิดให้เราเห็นเห็นแล้วเราก็ปล่อยวางไปละละไปไม่ต้องเอามาอยู่กับตัวรู้ตัวเดียวกายกับใจของเราเนี่ยมันอยู่ด้วยกันอย่ามันออกหนียกันนี่มันตมัคคีกันเนี่ย มันรักก็รู้จักมันชังก็รู้จักรู้จักปดจักปล่อยจักละจักวางให้มันอยู่ในปัจจุบันขณะขณะที่มันเดินอยู่กรมไม่เห็นเนี่ยตัวรู้ตัวเดียวนี่มันช่วยเราให้เป็นผู้มีสติเนี่ยเจริญสตินะยกมือคือก็รู้จักเอาขึ้นเอาลงให้เรารู้จักรู้แล้วก็ออะไรเกิดขึ้นนะโลกรู้ให้มันปดมันปล่อยมันวางไปอะไรเกิดแล้วก็รู้จักอดีไม่ก็เกิดแล้วก็แก็รู้จักไอช่วง แล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ด้วยจากถ้าเราเอาใจใส่มันก็เห็นไปเรื่อยๆไปถ้าเราไม่เอาใจใส่ไม่มีความเพียรความอดทนมันก็ไปตามสิ่งที่มันมาทัพชวนเราหนีจากทางที่เราทําไปเรื่อยๆไปมันจะเป็นอยู่างนั้นเพราะฉะนั้นให้เราพยายามทำให้เกิดมาอย่าให้มันเสียชาติเกิดเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ชั้นสูงน ทำอะไรได้หมดทุกอย่างสิ่งไหนที่บรรณุทำไม่ได้ไม่มีดีก็ทำได้ชั่วก็ทำได้น่ะคนเขาเรียกว่าคนอ่ะคนนี่มันมันมีหลายคนนี่คือกวนคนเนี่ยยังไม่ได้รอกหน้าตาเป็นคนจิตใจเป็นอะไรท่าป ไ, ได้ทั้งหมดเลยถ้าเราไม่มาฝึกเป็นไม่ใช่ว่าอะไรเป็นมันกี่ชีวิตจิตใจของเราเป็นเอมันเป็น เป็นตัดเดรัจานเป็นตัดนรกเป็นเปรดเป็นตัวกายพวกวนเวียนไหวตายเกิดอยู่ในภพในชาติซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำซากมันอยู่นี่เราไม่รู้จักเราก็เป็นผู้เป็นมันอยู่ตลอดไปเนี่ยเราให้มาออกจากภพจากชาตินี่คืออะไรคือความคิดเราเนี่ยแหละอยู่ในดองใหญ่เนี่ยดงดองนี่ยเอใครเข้ามาก็ออกมาได้มีรถมีชาติมากทั้งดีทั้งชั่วทั้ง สนุกทั้งสวายทั้งถูกปลุกออทั้งทุกข์มันอยู่ด้วยกันเนี่ยแ ป, ป, ปรปรปนกันนี่แหละสุดแล้วแต่เราจะเรียกเอาใครมีตาทิพย์มันก็เรียกได้คนได้เมตตาไม่มีตาทิพย์มันเรียกไปไม่ได้เรียกเอาไม่ได้อไปตามยถ า, ากรรมของมันได้เลียดไปนี่แหละคนเราอ่ะให้ดูเอาการกระทําของเราอ่ะหน้าตาเนี่ยทําไมมันไม่เหมือนกัน ไปตังร้อยตังพันมาแต่อยู่ด้วยกันไม่มีคนใจเหมือนกันทุกคนเลยหน้าตาไม่รู้เอาแบบไหนมาใส่หน้าตายคนหนึ่งคนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าจิตใจมันไม่เหมือนกันการกระทํามันก็ไม่เหมือนกันมันเป็นอยู่เนี่ยเออคนร่ํำคนเรื่องความร่ำความรวยมันก็มือนกันคนทุกคนจนก็มีทําไมมันทําไมไม่ไม่จนหมดทุกคนทําไมมันยังไม่มีไม่รวยหมดทุกคน นี่แหละเอาแต่จะรวยมาด้วยมันได้รวยแล้วก็เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็หมดไปก็มีอาเทียบที่อยู่ไม่ก็ไม่มี ก, ก็มีแต่สมไปนี่ยคนที่มีเงินล้านฆ่าตัวเองตายก็มีนีค่คิดอะไรมันไม่แน่นอนทักอย่างเดียวในโลกเนี้มีแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลง ถ้าไม่เราไม่มาทําแบบนี้แล้วก็จะไม่รู้จักที่พึ่งที่อาศัยอืมไปปรารถนาอ้อนวอนถึงนั้นมาช่วยถึงนียมาช่วยเอาความหวังไปไว้กับถึงนั้นที่นี้มันไม่ใช่แล้วนั่นนะพระพุทธศาสนาท่านสอนให้ฮละให้พึ่งพึ้งตัวเองให้เป็นอัตถิอัตโนนาโโตนแล่บันที่ของพึ่งของตนไม่มีใครในเทวดาองค์ใด จ, จะมาช่วยเราดอกเทวดาแล้วก็ให้มันอยู่กับเราหนีรีความใจใ จ, ใจอดตะปะความยักลัวเนะี่ย เพราะว่ากลัวนั่นนะกลัวสิ่งทใดๆมันไม่ดีอ่ะก็กลัวมันไว้บาปมันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยเราอย่าไปไปทํำบาปเราทํำเอาเองหมดทุกคนเลยไม่มีใครมาทําให้เราความทุกข์ความจนเราก็ทำเอาเองความร่ําความรวยเราก็ทําเองคนยากเวียนเสียนใจอะไรทุกอย่างเราก็ทําขึ้นมาเองโลกเนี้ไม่มีใครจะมาทําให้เราสักคนเดียวเราทําเอง จะแข่งว่าวัฒนาไม่มีอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละอันสิ่งที่มันทําให้เราจนอยู่นเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยไม่ได้ทําคุณงามความดีเลยเป็นเป็นคนเนี่ยมันจะค่อยเป็นอย่างนั้นเกิดมาเนี่ยเรามาเกิดเนี่ยพยายามอย่าวกวนเย็นไหวให้มันอันได้ทำแต่อย่างเดียวเนี่ยอย่างที่พ่อแม่เราพาทําการทําบุญให้ทานรักษานี่ยธรรมะตั้งแต่ขั้ง ตาตีตตาแต่ข้างไหนไม่รู้หรอกจนท่องทุกวันเนี่ยเราพวกเราเนี่ยจะไปนิพพานก็ไปไม่ได้จะไปสวรรค์เนี่ยไม่รู้วสวรรค์ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้จักสวรรค์อนิพพานก็ไมรู้สวรรค์ก็ไมรู้บาปบุญคนโทษอก็ไม่รู้จักมีคนมาถามนะแล้วงพ่อบุญเนี่ยมันมีมันเป็นยังไงบาปไม่เป็นไลยเขาก็ไม่รู้จักแต่ทํำตาบุญจะไปรู้จักบุญ เรามาเนี่ยมันเข้าใจหมดสินเกิดมาเราก็รู้จักเนี่ยสินสังคมเราก็รู้จักสินดีดีสินเป็นปรามาสที่ในตัวของเราเนี่ยเราก็รู้จักไม่เกิดขึ้นมาเองทิ่งที่เป็นของจริงแท้เรามาฝึกมาหัดเนี่เห็นเห็นมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ เอาใจใส่ในสิ่งที่ไม่ดีเรามันจะเบริสต์สุดๆไม่ได้สนใจเลยพยายามทําแต่สิ่งที่ดีๆเกิดให้มันเกิดขึ้นอยู่ชีวิตกิจใจนี่นความโรคความโกรธความหลงเราก็ไม่ต้องเอาให้ทําตามหน้าที่ให้เฉยเพราะพุทธิพันท่านสอนให้เราเนี่ยนะให้ขยันหมั่นเพียรให้รู้จักทํามาหาจินให้จะอยากเจ็บให้รู้จักเมี่ยนไว้ดีๆเนี่ยมีอะไรอยากไปยึดมั่นถือมั่นมาทั้งหมดเอาไปมาได้เป็นตุมัิของโลก ไม่เห็นคนเอาเงินเอาทองไปเมื่อเวลาเราตายไปอ่ะมีแต่เอาเป็นสมบัติของโลกไว้ให้ลูกไวรัลนนี่แหละ่เอาไว้ให้แล้วเขาก็เอาคืนมาหมดก็เหมือนกันมันก็อยู่อย่างนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเราพยายามอยากไปยึดมัน่นถือมั่นในถึงอะไรทั้งหมดแต่ว่าเก็บไว้ให้ดีไว้ให้มันเป็นประโยชน์สาหรับใช่สําหรับมันเป็นประโยชน์มันมีคุณอืมเราอย่าไป เป็นตกเป็นธาตุของสิ่งเหล่านั้นให้ให้เขาเอาเป็นเอาเขาเป็นธาตุเราพยายามมันหมดแล้วก็แล้วไปเสียแล้วก็แ ล, ล้ ว, ลวลไปหาใหม่คนเราเนี่มันเร่ไปสวรรคไปนิพพานก็เพราะอะไรมันพ่อห่วงอันนี้แหละออกจากอันนี้ไม่ได้ออกจากป่าโลกโลกนี้ก็ไม่ได้ออกจากป่าโลกเนี่ยคือออกจากความคิดนั่นแหละ มนชี้ขึ้นมาเนี่ยมีแต่ทุกทั้งนั้นเกิดขึ้นมีทุกตั้งอยู่มีแต่ทุกเดินไปเกิดขึ้นมาแล้วอันดีมันก็ไม่เที่ยงอันชั่วมันก็ไม่เที่ยงไม่มีสิ่งที่เที่ยง แ, แน่นอนมีเตี่ยงสิ่งที่เทียบเปลีป่ยนแปลงไมถาวัตวัตถุภายนอกก็เหมือนกันสิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยตัวสําคัญเป็นทรัพย์สินของเราทแท้ๆให้เราพยายามมาให้ทําให้มันได้ให้มันเข้าใจ อวันนี้หลวงพ่อก็จะได้พาอาจารย์ไปปวดบ้านนนททองพวกบ้านททองสั่งมาให้สั่งใครเอาพระไปให้ไปไปปวดบ้านนนททองแล้วก็จะได้ไปวันนี้ตรวจธรรมบ้นนี้ก็จะเดินทางไปจตันจังหันนน้นว่าเราต้นี่ก็ คอยปฏิบัติประพฤติไปจะไปนั่นเห็นแจ่ความมาั่ง่ายนะ <c oughs> เอาละสุดทีายก็ขอยุเจิตเพียงเท่านี้ก็ขอพ ร, ระคุณเจ้ากับญาติโยมทุกท่านทุกตระหตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ดูตัวเองให้อโหัิสให้อภัยให้ซึ่งกันและกันใครทําอะไรก็อย่าไปเอารัดเอาเปรียบกันให้มีความจับมัดสมาธิยึกัน มันผิดแล้วก็แก้ตัวเองมันอย่าไปแก้คนอื่นมาแก้ตัวเองมันอยู่กับเราคนเดียวมันไม่มีใครหรอกที่จะมาอิจฉาตัวเองอะ่ะเพราะตัวซ้ำแล้วมันก็มีคนอื่นเขาว่ายัางไงนี่เขาสอนเราเน้นน่นะแค่อื่นใครให้เราดูตัวเองนั่นแหละถ้าไม่เป็นเขาไม่ว่าหรอกคนเราแต่ว่าเราเขาสอนเรานั้นแหละคือเขากลัวเราไม่รู้จักเขาบอกนั่นนะ่ะแต่บางคนก็มันบอกยากเพาะว่าตีออาแต่ก็ตีด้วยคําพูดนั่นแหละ ให้ที่เราคิดออกเอ า, เอาตัวนี้ก็ให้จงมีความสุขทุกท่านคนทุกคนให้ได้เจริญทําให้ได้เห็นชีวิตจิตใจของตัวเ อ, เองให้ออกจากทุกข์ได้ทุกท่านทุกคนเชิญ <c oughs> โอ้